ในข้อสี่อ่ะมันชีนว่าไงคืออริย ส, สี่มีสี่ใช่ไหมฮะมแล้วก็มีทุกสมทุทัยนิโรภะมรมครคตรงนี้เป็นเหตุเป็นทางทางนี้มันต้องเป็นเหตุใช่ไหมฮะและ้วทางตรงนี้มันก็เป็นกุศลเป็นกุศลก็คือกุศลทั้งหลายตรงนี้ทําให้ได้ถึงเหตุ ข, ของนิพพานใช่คือ มักเนี่ยนะมันมีเชื่ อ, อเชชื่อนั่นก็เรียกว่าเหตุตัดโถเป็นเหตุมักเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานใช่ไมเมื่อมักเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานแต่มักไม่ใช่ตัวสร้างนิพพานอ่นิพพานนี่เป็นอสังขตะธรรมไม่ใช่ถูกสิ่งใดสร้างขึ้นไม่ใช่มีสิ่งใดสร้างขึ้นไม่ได้มีอะไรทำแต่ว่ามักเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงสภาวะเหล่านั้น ไปทําเป็นเหตุให้ถึงสภาวะธรรมคือคือพระนิพพานอ น, นั้นที่ที่เป็นอสังขตะเนี่ยนะอย่างเช่นว่าจักรโจักขโหสมุทัยจักขโหนิโรธมักนี่แหละเป็นตัวที่เป็นเหตุให้บรรลุจักขโหนิโรธโสตะโสตะสมุทัยโสตนิโรธมักเนี่ยเป็นตัวเป็นเหตุให้ถึงโสตะนิโรธ คือมรคเนี่ยเป็นเหตุถ้าไม่มีมรคเป็นเหตุเนี่ยจะไม่เข้าถึงพระนิพพานหรือนิโรธเหล่านั้นนิโรธนั้นเป็นอสังคตะนิโรธนั้นไม่ได้เกิดจากนิพพานเนี่ยไม่ได้เกิดจากถูกใครสร้างในนัครสูตรสังยุตตนิกายนิฐานวักเนี่ยกล่าวถึงว่าเหมือนอย่างว่ามีบ้านมีเมืองเก่าอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์พักพร้อมเพียบพร้อ ม, รอมบริบูรณ์เนี่ยนะ สมมุตินะอันนี้อุปมาทีนี้ว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยบากบั่นฝ่าป่าทางป่าเนี่ยนะสร้างถนนไปจนถึงเมืองนั้นนะสร้างถนนไปจนถึงเมืองนั้นแล้วก็เที่ยวชวนคนอื่นบอกว่าไปไปเมืองนั้นนะเมืองนั้นเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นเป็นผู้ที่ชวนสะสางชำร ะ, ะทําทางให้มันดีทางตัวนี้คือสัมมามัตย โดยการถางมิจฉามุขเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานซึ่งอุปมานิพพานประดุดเมืองเหมือนเมืองอ่ะนี่เพราะว่าหมายถึงว่าไม่เคลื่อนเป็นธรรมที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมืองอันนี้เนี่ยอุปมาแต่ว่านิพพานที่เรียกว่าจักขูนิโรธโสตานิโรธขานนิโรธเชลหานิโรธกายานิโรธมโนนิโรธนี้เป็นอาสังคตตธรรมเป็นอาสังคตตาธาตุเป็นสธรรมชาติที่ดับทุกข์ หมายถึงว่าเมื่อบรรลุพระนิพพานอันนี้แล้วจึงจักดับทุกข์ได้นะถ้าไม่บรรลุพระนิพพานนี้ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ถ้าถ้าเราย้อนมาหาตามแนวโลกนณิโรทสูตรนะจะเห็นอาศัยอะไรดีโสตะว่างนะจักโูนี่เบือ่อละอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณอ้อมอย่างประชมการเรียกว่า พาสะพาสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุก ข, ขมสุขเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพภพภเป็นปัจจัยจึงมีหู สร้างหูวิธีสร้างหูเนี่ยนะอย่างหูในชาตินี้เรามาได้ยังไงหูตัวนี้ที่เราได้มาก็คือเพราะหูในชาติก่อนเนี่ยพาให้ฟังเสียงตันหาอ่นนะเกิดโสตวิญ ญ, ญาณภัาษะตันอุปาทานทันตัวตันหาอุปาทานในอาอุปาทานพบของชาติก่อนเป็นปัจจัยให้มีหูอันนี้เฮ้ยพอมีหูอันนี้ก็มาฟังเสียงอีก ได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณภาัสสะเวทนาตันหาปุปาทานเพื่อสร้างหูชาต่ตอไปเมื่อระบบวงจรมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราให้โทษแล้วเกินว่าหูนี่มันเลวร้ายมากใครไม่ป่วยเป็นโรคหูบ้างให้รู้ไปนะว่าดีดีเนี่ยนะนอนปวดหูทั้งคืนลแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ทุกข์จริงๆริงนะหูอักเสบด้วยจะรู้ว่าหูเนี่ยเป็นของร้อนชัดของหูเนี่ยเป็นไตกับอะไร กดเกณฑ์เรารู้ว่าตัวหูเนี่ยคือตัวธาตุชราตัวมรณะเกิดแก่เจ็บตายก็คือหูทีนี้เมื่อเกิดแก่เจ็บตายคือหูเนี่ยนะถามว่าอาศัยหูเนี่ยโศกกะบ่อยไหมเสียใจบ่อยๆไหมข้อมีหูถ้าไม่ได้ยินจะไม่เสียใจเลยนะคําเลวร้ายทั้งหลายก็เยอะแยะไปแต่เราไม่ได้ไม่เห็นทุกข์เลยเพราะฉะเพราะเรามีหูเนี่ยจึงไปรับมาแล้วมาทุกข์ขนาดนี้ โศกะ่ะร้องให้ทุกวันก็เพราะว่าได้ยินเสียงนะตรีเทวะแล้วก็ปวดหูก็คือทุกข์กายฟังแล้วก็ต่อให้เกิดเสียใจโทมนั์บางครั้งก็พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบางครั้งก็ต้องไปประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักนี้แล้วปรารถนาจะให้มันฟังอะไรมันก็ไม่ได้ยังใจง่ายๆยนะหูเนี่ย ถ้ามันป่วยแล้วก็บอกขออย่าป่วยขออย่าแก่ขออย่าเจ็บขออย่าตายก็ข อ, อยขอไม่ได้อันนี้เรียกว่าไม่สมปรารถนาแปลง่ายๆว่าอิดช้าทุกข์อิจฉ้าภาษาบาลีนะั้นไม่ใช่อิดช้าภาษาไทยอิจฉาภาษาไทยเนี่ยแปลว่าริษยาอิจฉาภาษาบาลีเรียกว่าปรารถนายำปิดชังเนี่ยนะนั่นอิดชา้าท่านเมื่อหูมันทุกข์ขนาดนี้มันเสียหายขนาดนี้เนี่ยนะถ้าเรามีหูอันนี้เราทุกข์แค่นี้ อันนี้เป็นตัวอย่างของทุกข์นะจริงๆทุกข์ในโลกนี้มีทว่าโดยสภาวะนี้อาสาธารณะใช่ไหมโดยสภาวะทุกข์กว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย น, นี่พูดแบบสาธารณะว่ามันทุกข์กันแบบนี้แหละท่วนหน้าเลยไม่ค่อยบอกพร่องหรอกแต่ว่าอาสาธารณะก็หูของใครก็ของใครละทีนี้เมื่อทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงเนี่ยโสตวิญญาณเกิดภาษะ แล้วเสียงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทั้งจิตเป็นสมุทฐานบ้างอุตุเป็นสมุทฐานบ้างวันหนึ่งเนี่ยฟังกี่เสียงอ่ะโสดาวิญญาณเกิดเท่าไหร่ภัสสะก็เท่านั้นโสดาวิญญาณเกิดเท่าไหร่โสตาสัมผัสก็เท่านั้นภัสสะทุกวัสะนำมาซึ่งทุกขเวทนาจนได้นำมาซึ่งทุกขเวทนาจนได้นำมาซึ่งอทุกขมสุขเว Вид ทนาตอนแรกฟังแล้วดีใจตอนหลังไม่ได้อาจจะเสียใจก็ได้ มันทุกครั้งที่มีภาษาภาษะนั้นอย่างแม้กระทั่งได้ยินเสียงตอนนี้นีเป็นปัจจัยให้ดีใจก็ได้เป็นปัจจัยให้เสียใจก็ได้เป็นปัจจัยให้ใเฉยก็ได้สรุปว่าสามสามชาตินะ้นหนึ่งหนึ่งสหาชาตะสองอนันตระสามปะกตูปะนิสยาสามชาติ ไอตัวตั ว, ตวสหาชาตกิกาอนันตระไม่เท่าไหร่แต่ตัวปกตูนี่เองายขาดมากทีนี้ศุขก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาทุกข์ก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาอุเบกขาเป็นก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาถ้าตันหาเกิดเนี่ยมันจะยึดว่านั่นของนั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา เริ่มหน้าทิฐิเนี่ยนั่นของเราตันหาเราเป็นนั่นเป็นมานะนั่นเป็นอัตตาของเราก็ทิฐิถามว่าเมื่อยึดแบบนี้แล้วนะกายกรรมก็ตามมาวจีกรรมก็ตามมามโนกรรมก็ตามมาเพื่อสร้างหูเพราะเราทํากรรมวนเวียนอยู่กับเสียงมันก็เลยสร้างหูเราชอบชอบเสียงนั่นแหละจึงได้หูเอาเถอะ พออย่างอ่าระบบวงจรมันอยู่อย่างนี้วันหนึ่งเราได้ยินเสียงเท่าไหร่แล้วมันก็มีการกระบวนการผลิตหูตั้งแต่เชา้าจนค่ําเลยนะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะผลิตหูตลอดเลยไม่มีใครว่างเว้นจากการผลิตหูเลยฟังทำทั้งวันนี่ยก็ผลิตหูตลอดถ้าอริยมรรคไม่เกิดมั้นก็ทุกครั้งก็ผลิตหูกันผลิตหูไปดูว่าหูจะใบหูจะเป็นยังไงเนาะ ก็สตามเหตุทีนี้เราโอ้โหนี่มันน่าเบื่อหน่ายมากมันเสียหายขนาดนี้มันเดือดร้อนขนาดนี้เพราะมีหูนี่แหละจึงถูกดา่าถูกเป็นต้นเนี่ยนะเดือดร้อนโรคหูสรารพัดโรคทั้งหลายก็เพราะมีหูนี่แหละทํายังไงจะออกจากหูได้ น, น, นะนะมันก็รู้ว่าทํายังไงจึงจะดับหูได้เขาก็มาแยกแยะว่าหูกับเสียงเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็แบ่งเริ่มแบ่งแล้ใช่โสตวิญ ญ, ญาณผัสสะเวทนาก็กลุ่มหนึ่ง ตัณหาอุปาทานพบก็กลุ่มหนึ่งแบ่งอย่างนี้ว่าหูเป็นผลของกรรมโสตวิญญาณทัะเวทนาเป็นปัจจุบันผลตัณหาอุปาทานปัจจุบันเหตุพบเนี่ยเป็นปัจจุบันเหตุเหมือนกับตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสพบเนี่ยเป็นกรรมส่วนโสตวิญญาณก็เป็นมีบากต่อไปเมื่อระบบมันเป็นอย่างนี้นะอย่างว่า คำสอนในาศาสนาไม่มีให้ทำลายหูไม่มีไหมนะจงไปทิ่มหูให้มันแตกซะเธอไม่มีแต่ก็มีอยู่สูตรหนึ่งก็บอกว่าทิ่มหูหูมันแตกนั่นจะดีกว่าฟังเสียงโดยนิมิตอนุพยัญชนะอันนี้มีดีกว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าให้ไปฆ่าตัวตายนะโสตวิญญาณภทศเวทนา ย, ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วถ้ามีหูมีเสียงก็โสตวิญญาณก็เกิดขึ้นตามระบบของเขาตัญหาทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่อาศัย หูเสียงโสตวิญญาณภสสะเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นอันเวทนาเนี่ยที่เป็นเหตุใกล้แห่งตัญหาอันถ่าบอกว่าสูตรเขาบ่าถ้าสำรอกตัญหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ดับอันดับพบพบก็ดับถ้าพบดับหูก็ดับกัญหาเนี่ยสำอกอยังไงเพราะว่าหูก็เป็นที่รักเหลือเกิน เสียงเราก็ไม่ค่อยรังเกียจโสตะวิญญาณนะลองไม่ให้เราได้ยินดูสิอย่างไรเขาพูดอะไรไม่เห็นบอกเราบ้างเลยมนะันเดือดร้อนนะถัศเราก็ชอบมากนะเวทนาเราก็ยินดีถึงฟังแล้วไม่สบายใจบ้างก็ขอให้ได้ฟังนะขอให้เราได้รับรู้บ้างนะถึงเราฟังแล้วจะเครียดก็ไม่เปไน็นไรเออเดี๋ยดูสิมันเอาขนาดนั้นนะบางเรื่องนะฟังแล้วก็ไม่สบายใจแล้วแต่อยากฟังนะเขาว่าเราเขาสมมติเขานินทาเราในชะ่ไหม เขาว่าเขาถ้าเสียหายเลยนะเขาว่างไงเขาว่างไง <g ül> ยังจะอยากรู้อีก น, นะรู้อยู่แล้วฟังแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้ถามว่าทํายังไงจึงจะตัดอันนี้ได้เนี่ยนะก็นี่แหละพงศ์บอกว่าผู้ที่ตามเห็นว่าสิ่งเหล่านี้น่ายินดีตามเห็นว่าน่ายินดีเนี่ยเนี่ยคือการสร้างหู พวกอย่างท่านน่ายินดีนะัคือการสร้างขันธ์ห้าสร้างวัตตมันสร้างอย่างนี้มันก็บอกว่าตามเห็นว่ามันไม่น่ายินดีนะตามเห็นตามเป็นจริงของมันโอเป็นสภาพที่เกิดเป็นธรรมดาเสียงก็เกิดเป็นธรรมดาโสตาวิญญาณภาษาเวทนาะ <text Arabic> ก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาสิ่งที่ตั้งแห่งโสกกระปริ้เทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเป็น ธรรมดาส ร, รุปว่าตัวเนี้เป็นตัวทุกเป็นธรรมดาเรียกว่าทุกขธรรม เ, นะเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งเห็นทุกเนี่ยนะควรหรือที่จะตามยินดีสิ่งเหล่านี้นะก็ไม่ควรทีนี้ถ้ากะถอนฉันทราคะอย่างได้จริงๆก็ต้องเอาโสตะเนี่ยคูณทั้งโสตะเสียงเนี่ยคูณอนุปัสนาเจ็ดส่วนก็คือว่าเจริญอนุปัสนาเจ็ดมีหูเป็นอารมณ์ตามเห็นหูโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตามเห็นหูโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นโสดเนี่ยนะโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาตามเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่ยึดถือด้วยรักตามเห็นโดยความดับไม่ใช่สร้างตามเห็นโดยความสละคืนไม่ใช่ถือมั่นทีนี้ถ้าสละคืนได้จริงๆก็จะมีบรลลโวชื่อในรัโสตะนิโรธ ถ้าใครทําที่สุดแห่งทุกเจริญอนุปัสนาเจบริบูรณ์จริงๆต้องบรรลุโสตานิโรธบรรลุส e ัทธานิโรธนี่แหะบรรลุโสตวิญญาณนิโรธเจริญอนุปัสนาเจบในเสียงจนบรรลุโสตสัทธานิโรธเจริญอนุปัสนาเจ็บในโสตวิญญาณจนบรรลุโสตวิญญาณนิโรธเจริญอนุปัสนาเจ็จนบรรลุภัสสนิโรธเจริญเรียกเสียงแงจน เวทนาจนตรัสรู้เนี่ยนะรีตรัสรู้เวทนานิโรธนะถ้าบรรลุนิโรธตัวนั้นนิโรธเมื่อมีนิโรธเป็นอารมณ์นะสมมติอะอนุปัสนาเจตเจริญจนบรรลุโสตานิโรธสาัทานิโรธโสตวิญญาณผัสสะเวทนานิโรธ้วยโสกาปฏิมักอันนี้เป็นเหตุให้ให้ตัดหูเดรชานทุกชนิดจะไม่มีหูเป็นเดรชานอีกต่อไป หูยาวหูสั้นหูแหว่งเป็นต้นนี่ไม่มีแล้วตัดหูทุกชนิดออกไปทีนี้ถ้าเจริญอย่างได้สากอาธาคามีมะ ก, ก็ตัดหูในกางมาพบออกถ้าได้อนาอได้อนาคามีมะ ก, ก็ตัดหูในกางมาพบออกถ้าได้หูที่ได้อรหัตมรรคเกิดก็ละหูโดยตการทั้งปวงอันนั้นโดยประหารทีนี้ถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยไม่มีการสลัดออกจากโสดได้จริงๆ ไม่มีใครทิ้งหูได้หรอกถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ทาหูให้เสียนาจะได้ไปซ่าหาหมอนะ่นะหมอช่วยรักษาหูหน่อยเถื่อนนั้นถ้าให้ตัดฉันทราคาในหูในเสียงโสตวิญ ญ, ญาณภาษาเวทนาจริงๆก็ยากที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะก็ยากนั่นก็การเจริญอนุปัสนาเจ็บเนี่ยจนบรรลุอริยมรรคอริยมรรคเป็นตัวเป็นเหตุให้ถึงนิโรดนี่นะเป็นเหตุให้ถึงนิโรธ เมื่อถึงนิโรด น, นิโรอันนี้เป็นที่ดับฉันทราคาในหูในเสียงโสตะวิญญาณผัสสะเวทนาจริงๆพระอกว่านิโรดคือดับใช่ั้มสละคืนสังขารทุกชนิดอุปธิทั้งกวงเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่ละตันหาเป็นที่สางตันหา